เพราะไม่มีใครที่จะเป็นสารถีฝึกบุรุษได้ยอดเยี่ยมเหมือนกับพระพุทธองค์โดยที่การฝึกนั้นมิได้ใช้อาทยาต่อสัตว์มิได้ใช้ศาสตราวุธในการประหัดประหารเบียดเบียนสัตว์แต่ได้ใช้ธรร ม, มาวุธได้ใช้เหตุผลที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาสั่งสอนก็สามารถฝึกฝนอบรมสัตว์ให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบได้ ฉะนั้นเราจึงสรรเสริญว่าเป็นอนุต tero ปุริสะธรรมสารทิไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระพุทธองค์ในฐานะเป็นผู้ฝึกบุรุษพระพุทธคุณบทต่อไปก็คือสัทธาเทวะมนุษย์สานางังสัทธาเทวะมนุษย์สานังนี้แปลตามศัพท์ก็แปลว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะคำว่าสัทธะหรือสัทธานี้แปลว่าศาสดาเทวมนุษย์สานังก็แปลว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำว่าศาสดาเนี่ยบุคคลเช่นใดที่ควรจะได้รับนามว่าเป็นศาสดา ควรที่จะได้รับนามว่าเป็นศัทธาในรูปศัพท์ของภาษาบาลีนี้เพราะมีหลายท่านได้เถียงกันว่าอย่างพระเจ้าเนี่ยจะใช้คำว่าศัทธาได้ไหมใช่ไม่ได้แม้แต่ใครๆก็ตามที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าก็ยังใช้ศัทธาไม่ได้เพราะผู้ที่จะเป็นศัทธาได้นั้นจะต้องเป็นผู้รู้ ผู้คน้นคว้ารู้สัจธรรมนี้ด้วยตนเองเช่นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ตรัสรู้อริยสัจด้วยพระองค์เองโดยไม่มีใครมาเป็นครูสั่งสอนเพราะฉะนั้นจึงได้นามว่าเป็นศัทธาเมื่อรู้แล้วยังสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้ด้วยรู้ตามได้อย่างผู้ที่บรรลุมรรคผลตามพระพุทธองค์ก็มีมากมายพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนให้บุคคลเหล่านี้บรรลุมรรคผลตามได้ ฉะนั้นคำว่าศรัทธาหรือคำว่าศาสดาเราจึงใช้ได้แต่เฉพาะผู้ที่เป็นพระสัพพันธ์อยู่คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นสาวกองอื่นแม้แต่อรหันต์สาวกก็ใช้ศรัทธาไม่ได้ไม่มีใครเลยที่ได้รับนามว่าศรัทธาคือที่จะได้รับนามว่าเป็นาศาสดายังยังไม่มีใครได้รับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแม้แต่พระอรหันต์ก็ ใช้คําว่าศาสดาไม่ได้แม้เราจะกล่าวกันโดยทั่วไปว่าอันนี้เป็นศาสดาของลัทธินี้ท่านผู้นั้นเป็นศาสดาของลัทธินั้นก็ตามแต่ความหมายของคําว่าศาสดานั้นเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากในปัจจุบันนี้เรามาใช้ตําแหน่งทางราชการในตําแหน่งชั้นพิเศษคือคําว่าศาสตราจาร์คาว่าศาสตราจาร์ กับศาสดานั้นมีความหมายไม่เหมือนกันเพราะคําว่าศาสดาที่เราใช้ขนานนามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัตทธวาโหท่านใช้คําว่าสัทธวาโหหรือสัทธวาหะสัตทธวาโหนี้ถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าผู้นําหมู่ผู้นําหมู่เราเรียกว่าสัตทธวาโหหรือสัทธวาหะเช่นอย่างในสมัยนั้น การค้าขายในด้านการคมนาคมยังไม่เจริญเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้การค้าขายระหว่างเมืองต่อเมืองอาศัยเกวียนเป็นพาหนะพ่อค้าที่ทำมาค้าขายระหว่างเมืองต่อเมืองนี้จะต้องมีคาราวานเกวียนของตนเองเป็นพันๆเล่มเกวียนที่เป็นเศรษฐีใหญ่่มีขนาดเกวียนพันเล่มห้าร้อยเล่มเวลาบรรทุกสินค้าไปเมืองหนึ่งก็ไปกันเป็นขบวนเป็นแถว ในขบวนเกวียนเนี่ยจะมีนายนายกองเกวียนนายกองเกวียนนี้เป็นผู้นําหมู่เกวียนนายกองเกวียนจะต้องเป็นผู้รอบรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ทุกด้านรู้เรื่องดาราศาสตร์เช่นเวลาเดินทางตอนกลางคืนข้ามกลางป่าดงคารวานเกวียนจะต้องมีความชํานาญในเรื่องของดาราศาสตร์ ผู้นำหมู่เกวียนต้องรู้ทิศทางของดวงดาวว่าเราจะเดินทางไปนครเนี่ยถือดาวดวงไหนเป็นทิศทางที่เราจะเดินทางไปมิฉะนั้นแล้วก็จะหลงป่าหรือเราควรจะเดินทางกันกีนก่วันจึงจะได้พักผ่อนในคารวานเกวียนเราเนี่ยในกองเกวียนทั้งหมดควรจะกักตุนอะไรไว้บ้างน้ำควรจะมีเท่าไรอาหารควรจะมีเท่าไรเราจึงจะข้ามพ้นความกันดาลของเส้นทางนี้ได้ มิฉะนั้นแล้วบัวควายที่ลากเกวียนก็จะร่มตายหมดตัวคาราวานเกวียนทั้งหมดก็จะร่มตายกันเพราะความบดอยากยากแคนในทางกันดารผู้นําเกวียนจะต้องมีความชํานาญว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงจึงจะถึงบ่อน้ําตรงไหนมีสระน้ําบ้างสระน้ําพอให้สัตว์บริโภคไหมมีหญ้าให้สัตว์บริโภคไหมพอที่พวกเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยจะบริโภคได้ไหม จนกว่าเราจะเดินถึงจุดหมายปลายทางหัวหน้ากองเกวียนต้องรอบรู้ทั้งหมดจึงนํากองเกวียนนี้ข้ามทางกันดารได้ทางไหนมีโจรผู้ร้ายชุกชุมทางไหนไม่มีต้องฟังเสียงฟ้าร้องได้ถูกว่าฟ้าร้องอย่างนี้ฝนตกหรือไม่ตกลักษณะเมฆที่จะกลุ่มวันเช่นนี้จะมีฝนไหมน้ําควรจะบรรทุกไปหรือควรจะตัดตุนให้เต็มที่เราจึงจะข้ามพ้นความกันดารอันนี้ได้ต้องรอบรู้หมดทุกด้าน ดังนั้นผู้ที่นํากองเกวียนให้ข้ามพ้นความกันดานที่นนี้เราเรียกว่าสัตว์วาโหแปลว่าผู้นําหมู่ก็คือนําหมู่เกวียนแต่ว่าพระพุทธองค์นี้ที่เป็นศ า, ศาสดานี้เรายกย่องว่าเพราะพระพุทธองค์เนี่ยเป็นสัตว์วาโหเป็นผู้นําหมู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่นําหมู่เกวียนเป็นผู้นําหมู่สัตว์หรือหมูมนุษย์นี้ให้ข้ามพ้นทางกันดาน ท่านทั้งหลายจะศึกษาได้จากวิถีชีวิตของคนของเราเองทุกคนที่เกิดมาในโลกปัจจุบันนี้ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสว่าพบทั้งหลายที่เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นคือทางกันดารของสัตว์หมายเพราะว่าในโลกมนุษย์ที่เราเกิดมานี้ก็ดีแม้เราจะอยู่ในปฏิรูปประเทศไม่อดยาข้าวน้ํามีทุกสิ่งทุกอย่างโดยสมบูรณ์ หรือแม้เราจะเกิดบนเทวโลกซึ่งมีแต่ทิพยะสมบัติทั้งหมดก็ตามเราอาจจะคิดว่าโลกที่เราเกิดหรือภูมิประเทศที่เราอยู่เนี่ยไม่แห้งแรงกันดารอะไรภูมิทั้งหลายที่เราเกิดขึ้นหรือก็เป็นภูมิที่อุดมสมบูรณ์หมดทุกอย่างแต่ในทางสัจธรรมนั้นถือว่าคาว่าพบคือทางกันดารของสัตว์ความกันดารของชีวิตสัตว์ที่เกิดขึ้นในภพภูมิต่างๆเหล่านี้ ในชีวิตของเราเนี่ยต้องประสบต่อความกันดานมากมายอะไรที่เป็นความกันดานของชีวิตบ้างระหว่างที่สัตว์ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้ท่านตรัสว่าภพคือทางกันดานอันหนึ่งความกันดานคือภพความเกิดก็เป็นความกันดานที่เรียกว่าชาติกันดานชาติกันดานความแก่ก็เป็นกันดานที่เรียกว่าชรากันดาน ความตายก็เป็นกันดาลที่เรียกว่ามรณะกันดาลฉะนั้นคําว่ากันดาลหรือความกันดาลของชีวิตเนี่ยก็ได้แก่ความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายฉะนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆเช่นนี้เราจึงต้องประสบต่อความกันดานคือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายไม่สิ้นสุดถือว่าอันนี้เป็นความกันดาลของชีวิต ใครเล่าที่สามารถจะนาเราทุกคนที่เกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเกิดมาอยู่ในกองทุกข์เช่นนี้ให้พ้นจากความตันดานเช่นนี้ได้ใครจะนำให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นนี้ได้เราไม่มีใครนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธองค์เป็นผู้นำพวกเราให้ข้ามพ้นความตันดานเช่นนี้ เช่นที่ได้ตรัสสอนดาวเกี่ยวกับเรื่องมรรคแปดไว้ก็ดีเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานสี่ก็ดเีเกี่ยวกับเรื่องไตรสิกขาก็ดีอันนี้เป็นทางที่จะให้ข้ามพ้นความตันดานในชีวิตทั้งสิน้นต้นสอนให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติตนพ้นจากความกันดานที่นี้มาก็มากแล้วนับจานวนไม่ถ้วนตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลมาตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้ ว่าสรรพสัตว์ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์นั้นได้ข้ามพ้นความกันดานนี้ไปมากเท่าไรและถ้าตราบใดเรายังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราจะพ้นจากความกันดานของชีวิตนี้ไปไม่ได้ชีวิตที่เป็นทุกข์อย่างไรก็จะต้องเป็นทุกข์อย่างนั้นต่อไปคือเราจะต้องเกิดใ บ, บ่อยแก่ บ, บ่อยเจ็บ บ, บ่อยตายบาย่อย เราโศกเสียใจบ่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นความกันดานของชีวิตเพราะฉะนั้นในฐานะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาก็คือเป็นผู้ที่นำหมู่นำหมูคือหมูสัตว์ทั้งหลายนี้ให้ข้ามพ้นความกันดานเช่ น, นี้ไปได้สอนให้เราประพฤติปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้บรรลุถึงซึ่งสัมติสุขนั่นแหละเราจึงจะข้ามพ้นความกันดานของชีวิตได้ ฉะนั้นที่เราตรวจสรรเสริญว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสตราของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เพราะได้เป็นผู้นําหมู่สัตว์คือเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นความกันดาลชิ่นี้มาแล้วและผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้พ้นทางกันดานทีนนี้ต่อไปอันนี้เป็น พระพุทธคุณที่เราสระเสริญกันอยู่ซึ่งเราก็อาจจะไม่เข้าใจว่าที่เราสวดพระพุทธคุณกันอยู่ปัจจุบันเนี้เริ่มตั้งแต่อิติปิโสภะวาอรหังสัมมาสัมพุทโนั้นจะมีความหมายทางด้านปฏิบัติอย่างไรฉังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจความหมายที่เราสวดกันอยู่ในปัจจุบันว่ามีความหมายอย่างนี้แล้วก็ในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ที่ประกอบด้วยพระพุทธคุณ แต่ละองค์แต่ละองค์ในลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นพุทธลักษณะดังกล่าวเนี่ยจึงมีต่างๆไม่เหมือนกันท่านทั้งหลายได้ศึกษาพุทธลักษณะตั้งแต่ความเป็นพระอาหารหันต์มาแล้วความเป็นโลกวิทูมาแล้วความเป็นสาร ถ, ถีที่ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมมาแล้วและเราก็เทียบกันดูเจอทั้งถึงความเป็นศาสตา ข, ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งก็เป็น พุทธลักษณะอีกลักษณะหนึ่งในจํานวนเก้าลักษณะที่เราสรรเสริญไว้หรือที่เรียกว่าพระพุทธคุณเก้าบทก็คือนั่นเองคือพุทธลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้แต่ละด้านแต่ละด้านที่มีอยู่ในองค์ท่านแล้วเราก็กราบไหว้บูชากันความเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์นั้น เป็นเครื่องประกาศสัจธรรมไว้ได้ข้อหนึ่งคือหลักอริยสัจธรรมที่ผู้รู้ตามแล้วย่อมพ้นทุก์ได้จริงคือสามารถข้ามทางกันดาเนี่ยได้จริงแม้ในปัจจุบันนี้เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะโดยไม่ต้องถึงขั้นบรรลุมรรคผลก็เชื่อแน่ว่าชีวิตของมนุษย์ที่ปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า จะไม่พบความกันดานในชีวิตนี้เลยเช่นจะเป็นความกันดานในเรื่องอาหารข้าวน้ำความกันดานที่เกิดขึ้นจากความยากจนอดอยากต่างๆซึ่งโลกกำลังประสบกันอยู่ในปัจจุบันถ้าทุกท่านปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่พบความกันดานเช่นนี้ไม่ต้องถึงขั้นมรรคผลเอาขั้นที่เราจะอยู่ในโลกมนุษย์นี้อย่างเป็นสุขร่วมกัน ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเราจะไม่ประสบความกันดาลชิ่นนั้นแล้วจะมีแต่ความผาสุกโดยใช้หลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้เอามาปรับปรุงใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตจริงๆเราก็จะได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติโดยทั่วกันนี่เราไม่ต้องถึงขั้นมรรคผลนิพพานแต่ให้รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์แต่เฉพาะใน โลกปัจจุบันนี้ก็เพียงพอแล้วเหมือนกับเราได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนเพื่อเกิดความสุขในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราประพฤติปฏิบัติตามคําสอนอันนั้นอย่างถูกต้องเราก็ได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องได้ะด้านความเป็นศาสดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราได้ศึกษาโดยละเอียด ในลักษณะเช่นนี้แล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติตามจริงๆแม้แต่เฉพาะในการดําเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็ได้รับผลจากการปฏิบัติมากมายอยู่อันเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญมากที่พุทธสาสนิกชนทั้งหลายควรควรที่จะได้สนใจกันเพราะว่าคําสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ให้แก่เรานั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็เป็นสัจธรรมที่เราใช้แล้วเราไม่ผิดหวัง ที่จะไม่ได้รับผลแห่งการปฏิบัตินั้นไม่มีเลยเราพิสูจน์ได้จากการประพฤติปฏิบัติหลักธรรมในขั้นที่เราจะใชใ้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตปัจจุบันนี้ในขั้นธรรมดาทั่วไปเราก็ได้ผลส่วนที่จะบรรลุ ถ, ถึงขั้นสูงในขั้นมรรคผลนิพพานนั้นถ้าเราฝึกฝนอินทรีย์ของเราดีขึ้นเราก็ฝึกการปฏิบัติให้สูงขึ้นจนสามารถที่จะละความยึดถือหรือละอุปาทานต่างๆได้หมด เราก็สามารถที่จะได้รับผลขั้นสูงสุดยิ่งขึ้น <Yeah. S 1> ซึ่งอันนั้นเป็นส่วนสามัญญผลเป็นสามัญญผลในพระพุทธศาสนาเป็นผลที่ได้รับจากการบรรลุมรรและบรรลุผลแต่ละขั้นตั้งแต่ขั้นต่ำคือตั้งแต่โสดาปติมรรคเป็นต้นไปถึงอรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ยผลเหล่านี้เรียกว่าสามัญญผลผู้ที่จะได้รับบรรลุถึงซึ่งสามัญญผลส่วนนี้ต้อง เป็นผู้ที่ฝึกฝนการปฏิบัติได้อย่างดีแล้วก็จะได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัตินั้นๆโดยสมบูรณ์ในความเป็นาสาวซาดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนและพระพุทธองค์เป็นผู้นําหมู่ผู้ง่ายๆก็คือเป็นผู้นําหมู่ของพวกเรานําหมู่พุทธบริษัทนี้ให้ข้ามพ้นความกันดานเรานอกจากจะปฏิบัติเพื่อ ให้พ้นความกันดานของชีวิตเช่นความเกิดแก่เจ็บตายเรายังใช้คําสอนให้ข้ามพ้นความกําดาลในเรื่องราวต่างๆในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชีวิตก็ได้เช่นทุพพิขกันดานความกันดานในเรื่องของ อ, อ, อาหารต่างๆหรือภัยที่เกิดขึ้นจากทุพพิขภัยเหล่านี้ ถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามแล้วก็จะไม่เผชิญต่อภัยเช่นนี้เราจะไม่ต้องเผชิญต่อความกันดารอย่างนี้แต่ว่าเราจะประสบต่อความสุขสมบูรณ์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้นี่เป็นพระพุทธคุณที่นำมาอธิบายท่านทั้งหลายได้เข้าใจเพื่อที่เมื่อเราได้ปฏิบัติฝึกสมาธิกิจ หลังจากไหว้พระสวดมนต์แล้วเราบริกรรมพระพุทธคุณบทใดบทหนึ่งเป็นอารมณ์เราก็จะได้เข้าใจความหมายว่าพระพุทธคุณที่เราได้บริกรรมอยู่ในใจเพื่อฝึกจิตให้มีสมาธินี้มีความหมายอย่างนี้เป็นการแผ่ปีติที่เกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยให้กว้างขวางออกไปโดยระ ล, ลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้ว จิตนี้ก็จะสงบได้ไวสมาธิจะเกิดได้ไวจากการเจริญพุทธานุสติข้อนี้เันั้นท่านทั้งหลายที่ฝึกในด้านสมาธิจิตแบบง่ายๆอยู่ที่บ้านเราบริกรรมพระพุทธคุณบทใดบทหนึ่งเป็นอารมณ์ก็ตามจะต้องเข้าใจความหมายของพระพุทธคุณแต่ละบทนั้ น, น, นวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับ สัทธาเทวะมนุษย์นังถ้าขณะที่เราปฏิบัติเราบริกรรมว่าสัทธาเทวะมนุษย์นังก็ขอให้เรานึกถึงคุณของพระพุทธองค์ในลัก ษ, ษณะดังกล่าวนี้เพราะว่าการเจริญพุทธานุสตินั้นเราจะต้องมีพระพุทธคุณเนี่ยเป็นอารมณ์ของจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วจิตนี้ก็อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธองค์ไม่ไปไหน จิตขณะหนึ่งนึกถึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ก็เหมือนกับว่าเรามีพระเกิดขึ้นในใจแล้วหรือว่าจิตของเราขณะนี้เป็นจิต ท, ที่เป็นพระแล้วมีพระอยู่ในใจแล้วเพียงแต่นึกถึงอิติปิโสภค ว, วาอาะอรหังหรือสัมมาสัมพุทโภ ว, วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรภุริสะธรรมสารถิ หรือศัทธาเทวะมนุษสานังเพียงนึกอย่างนี้เราก็มีพระอยู่ในใจแล้วมีพระพุทธคุณอยู่ในใจถ้านึกถึงบ่อยเป็นชั่วโมงก็เสมือนหนึ่งแนตะ่ว่ามีพระอยู่ในใจเป็นชั่วโมงชั่วโมงถ้าเรามีพระอยู่ในใจเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้มารก็เข้าไม่ได้ถ้าใจเราไม่นึกถึงพระเป็นอารมณ์มารก็เข้ามาแทรกแซงมารในที่นี้ก็คือกิเลสมาน จะเกิดขึ้นในใจเราเดี๋ยวความโลภ ก, ก็เกิดเด็กวความโกรธก็เกิดเด็กวความหลงก็เกิดเดี๋็กความริษยาเกิดเด็กวความพยาบาทเกิดสารพัดอย่างมันจะเกิดขึ้นภายในจิตซึ่งอันนั้นเป็นจิตของมารไม่ใช่จิตของพร ะ, ะคือจิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เราอาจจะเป็นมารในขณะ น, นี้อาจจะเป็นพระในขณะ น, นี้ในขณะ น, นี้ซึ่งแล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่จิตไปยึดถืออยู่ ถ้าเราจะให้จิตของเราเป็นพระอยู่ตลอดเวลาก็ต้องนึกถึงพระพุทธคุณตลอดเวลาจิตของเราก็มีพระอยู่ถ้าเราไม่นึกถึงจิตของเราก็คือมารดีๆนี่เองอาจจะเป็นสัตว์เดชฉานที่โหดร้ายทารุณก็ได้อาจจะเป็นมารตัวฉกาจชาการคอยประหัตประหารความดีของคนอื่นก็ได้ถ้าหากว่าจิตนั้นถูกกิเลสเข้าครอบงำแต่ถ้าเรามีพระพระพุทธคุณเป็นอารมณ์แล้วเราจะไม่เป็นมารอย่างนั้น อย่างน้อยความเป็นมนุษย์ความเป็นพระก็จะเกิดขึ้นจากการที่เรามีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์อยู่เพราะฉะนั้นวิธีฝึกฝนกจิตในลักษณะดังกล่าวนี่เป็นวิธีสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแ ก, ก่จิตโดยไม่ยากทุกวันท่านทั้งหลายมีโอกาสไหว้พระสวดมนต์ก็มีโอกาสทาสมาธินึกถึงพระพุทธคุณสักครึ่งชั่วโมงหรือสิบห้านาที หรือขณะที่เรานอนก่อนจะหลับเราก็นึกถึงพระพุทธคุณจนกว่าเราจะหลับไปเราก็ยังมีโอกาสสร้างพระขึ้นในใจเนี่ยหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงตลอดวันหนึ่งแต่เราทําได้สม่ําเสมอตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยความเป็นพระจะเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมากขึ้นเพราะความเป็นพระไม่ใช่อยู่ที่การปรงผมผมจีวรเหมือนกับที่อาตมาเป็นอย่างนี้ แต่ความเป็นพระนั้นอยู่ที่จิตจิตเราต้องเป็นพระด้วยก็คือจะต้องมีคุณธรรมต่างๆอยู่ในจิตด้วยต้องมีมีกิเลสความชั่วร้ายต่างๆเนี่ยแอบแฝงอยู่ภายในจิตต้องมีคุณธรรมมีความดีต่างๆอยู่ภายในจิตนั่นแหละจึงจะเป็นพระงั้นท่านทั้งหลายถึงแม้จะไม่ได้บวชท่านก็เป็นพระได้สร้างพระขึ้นในตัวท่านได้ แล้วก็สร้างอยู่อย่างเนี้เสมอๆวันหนึ่ง24ชั่วโมงเรานอนแบบับอย่างชนิดที่มีโมหะครอบงำเจ็ดเจ็ดชั่วโมงหรืออีกสิบเจ็ดชั่วโมงนี่เราก็ทกําจิตของเราให้เป็นพระสักสิบชั่วโมงก็ยังดีอีกเจ็ดชั่วโมงก็ให้เป็นของมารไปก็ยังได้โลกก็ยังสงบลงตั้งแยะในเวลานี้24ชั่วโมงบางทีพระไม่เกิดเลยสักชั่วโมงหนึ่ง โลกจะสงบได้อย่างไรก็สงบไม่ได้แต่ถ้าทุกคนทำจิตของตนเองในลักษณะดังกล่าวเนี่ยสร้างพระขึ้นในตัวเองแล้วความสงบสุขในสังคมมนุษย์เนี่ยจะเกิดขึ้นมากขึ้นตามลำดับโลกก็จะไม่ร้อนร้อนอย่างนี้ก็จะมีแต่ความยากเยือกเย็นลงโดยอาศัยการฝึกเช่นนี้ท่านทั้งหลายมีโอกาสฝึกได้ทุกคนเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระก็พยายามบริกรรม ก่อนจะนอนก็นึกถึงพระพุทธคุณอย่าไปนึกถึงเรื่องอื่นแล้วเราก็หลับไปเนี่ยก็เท่าว่าเราได้สร้างพระขึ้นในตัวเรามีพระมากขึ้นเทไรามานก็หลีกหนีไปมากขึ้นเท่านั้นซึ่งก็เป็นโอกาสที่สาธุชนทุกท่านที่จะได้ฝึกฝนกจิตในลักษณะดังกล่าวนี้ซึ่งอันนี้เป็นวิธีหนึ่งซึ่งเราสามารถสร้างพระหรือสร้างตัวเราเองให้เป็นพระขึ้นมา โดยอาศัยจิตที่เป็นกุศลนี้นึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี่เป็นผลที่เราได้จากการเจริญพระพุทธคุณถ้ามสมาธิสูงขึ้นตามลำดับเราก็ยิ่งจะได้รับผลกำไรมากขึ้นจากการปฏิบัติจิตเช่นนั้นออวันนี้อาตามาก็ขออธิบายพระพุทธคุณถึงบทนี้ยังมีพระพุทธคุณอี ก, อกสองบทที่จะอธิบาย สักครั้งหนึ่งก็คงจะจบพุทธานุสติและต่อไปเราจะได้ศึกษาถึงธรรมานุสติและสังคานุสติต่อวันนี้ขอขอบใจทุกท่านที่สละเวลามาฟังคำบรรยายขอให้ท่านจงมีความสุขโดยทั่วกันทุกท่านาพูดในเรื่องเกี่ยวกับอนุสติซึ่งมีอยู่ในสมาธิเทพในข้อพุทธานุสติ ได้ได้บายถึงพุทธคุณองค์ต่า ง, างๆให้ทั้งทั้งหลายได้พขใจมาตามลำดับรวมกันทั้งหมดพระพุทธคุณทั้งเจ็ดข้อได้อธิบายผ่านคนไปแล้วสำหรับพระพุทธคุณที่จะอธิบายในวันนี้ก็คือเรื่องที่เรืร่องเนเื่องมาจากบางก่อน และพุทธคุณในบทก่อนคือในบทว่าพุทโธกับพระควากรัางก่อนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความหมายของศัทธาเทวะมนุษย์สาสนาที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้อธิบายถึงศัพท์คือคำว่าสัทธาที่เราแปลว่า ศาสดานี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจแล้วว่าความหมายหรือคุณสมบัติของผู้ที่เป็นศาสดานั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างในฐานะที่เราได้ยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นพระบรมศาสดาของบรรดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของความเป็นหัวหน้าหรือในความเป็นผู้นำหัวหน้าในที่นี้หรือผู้นำในที่นี้หมายถึงเป็นผู้นำหมู่สัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นความกันดานของชีวิตคือชาติกันดานชรากันดานพยาธิกันดานและมรณะกันดานให้เราได้ข้ามพ้นความกันดานต่างๆคือความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้ไปได้ ฉะนั้นจึงได้นามว่าเป็นศรัทธาคือเป็นศาสดาเพียงคุณสมบัติอย่างนี้เราก็หาศาสดาใดๆ ไ, ไม่ได้แล้วในโลกที่จะทำหน้าที่ของความเป็นผู้นําหมูคือนําหมูสัตว์ให้ข้ามพ้นความกระดานเช่นนี้ไปได้เพราะความหมายของผู้ที่จะเป็นศาสดาของลัทธิหรือศาสนาต่างๆนั้นจะต้องมีความหมายในลักษณะเช่นนี้ถ้าศาสดาหรือเจ้าลัทธิเหล่านั้นมี มิได้บรรลุถึงซึ่งโลกุตตรธรรมและไม่สามารถที่จะสั่งสอนสัตว์หรือสาวกในาศาสนาของตนให้บรรลุถึงซึ่งโลกุตตรธรรมได้แล้วก็ยังไม่ควรได้รับนามว่าเป็นาศาสดาเพราะว่าศัพท์นี้สูงเหลือเกินสูงในด้านของโลกุตตรธรรมเรายองมองไม่เห็นาศาสดาตนใดในโลกที่จะปฏิบัติหน้าที่เช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะว่าพระพุทธองค์นั้น นอกจากจะปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์โดยพระ อ, องค์เองแล้วยังสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยและได้ข้ามพ้นความเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างแท้จริงด้วยจึงอยู่แม้ว่าผู้ที่จะตั้งตนเป็นาศาสดาในโลกนี้มากมายหลายลทัทธิและาศาสนาแต่ว่ า, าศาสดาเหล่านั้นก็หาได้สั่งสอนสาวกของตนให้ข้ามพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ไม่ยังคงวนเวียนอยู่ในวตาสงสาร อยู่ในห่วงของกิเลสอยู่อีกต่อไปก็ยังไม่ใช่ว่าจะเป็นศาสดาโดยสมบูรณ์พระพุทธองค์นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่นี้โดยสมบูรณ์แล้วเราจึงควรขนานถนามว่าเป็นพระบรมศาสดานี่ความหมายของคำว่าศรัทธาที่ว่าเป็นเทวาเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์นั้นเราก็ยังมองไม่เห็นศาสดาใดในโลกนี้ที่จะสั่งสอน ร, รม หรือสั่งสอนจริยธรรมทั้งมนุษย์และเทวดาบางศาสนาก็สอนได้แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นเทวดาก็สอนไม่ได้แต่ว่าพระพุทธองค์นั้นสอนทั้งมนุษย์และสอนทั้งเทวดาเพราะฉะนั้นจึงมีพุทธกิจอยู่ตอนหนึ่งว่าเวลาเที่ยงคืนนั้นพระพุทธองค์จะใช้เวลาเป็นการทยากรปัญหาของเทวดาเรามาตีความในสมัยหลังว่าเวลาเที่ยงคืนนั้นเป็นเวลาที่ เงียบสงัดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะใช้เวลานี้พยากรณ์ปัญหาแก่เทวดาและก็ตีความว่าเทวดาดังกล่าวนั้นไม่ใช่หมายถึงเทวบุตรหรือไม่ใช่หมายถึงสัตว์ภูมิใดภูมิหนึ่งแท้ที่จริงก็คือพระมหากษัตริย์นั่นเองเพราะว่าในสมัยพุทธกาลนั้นพระมหากษัตริย์เมื่อว่างจากราชกิจแล้ว ก็มักจะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสนทนาธรรมและซักถามถึงเรื่องข้อธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาเที่ยงคืนเช่นนี้พระมหากษัตริย์นั่นเองที่ไปเฝ้าพระพุทธองค์นี่ก็เป็นเรื่องของปรายสมัยหลังตีความกันไปเองแต่ว่าโดยหลักฐานที่มีปรากฏในคำพีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพยากรณปัญหาแก่เทวดาจริงๆฉะนั้นใน เทวตาสังยุตซึ่งมีอยู่ในคำพีพระสุตตันตปิฎกในคำภีสังยุตตานิกายในสคาทวักจะปรากฏว่าหลักธรรมที่อยู่ในสังยุตต์นี้เป็นเรื่องหลักธรรมที่พระพุทธองค์เทศนาแก่เทวดาทั้งนั้นเทวดามาทูลถามปัญหาต่างๆและพระพุทธองค์ก็ตรัสรยากรปัญหาของเทวดาแต่ละปัญหานี้ไป เราจึงได้ทราบปัญหาต่างๆมากมายของเทวดาซึ่งบางปัญหานั้นเทวดาก็ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปในโลกมนุษย์นี้ก็มีเนี่เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเราจะตีความว่าเทวดาที่มาเฝ้าปัญหาพระพุทธเฝ้าทูลถามปัญหาพระพุทธองค์นั้นคือกษัตริย์